พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ลําดลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11ตุลาคม2560มีชื่อเรื่องว่ากิเลสอ้างเวลาเอาลูกหลานอยู่ในความสงบหยุดการเคลื่อนไหว นเนี่ยกับมีผู้ถวายเจตุปัจจัยกรถินอาจารย์เฉลิมพ่นถวายกระถินลวงหนามส0 0พบาทอาจารย์พ่ออสุจิตพร้อมครอบรั้วอันนี้กับสี่พันบาทแม่ตู้บันพ่อตู้แม่ตูบบบต้บันพ่แสงพ่อครอบรั้วพ่อตู้บันพ่อหมอกตู้ขาพ่ออันนี้2อ0พสนแางกุฏิกลางหนาม แต่ละอันก็มีความหมายของเพิร์นนะมันทามาทําบุญลุงพ่อเขาจะแย ก, แยกตามที่สัตธายาดโน้มหลูกลานบางที่ทาบุญทวไหวกระินลงตานะแยกนะแต่ลงพ่อก็บอกว่ากระินลงตามันหมดแล้วให้อโอลงหนะ้าวะลงซะอันไหนเป็นปัจจุบันเราควเอาคืนมาแต่ลงพ่อก็ที่ เดืองกระถินลงตาลงพอกระเศร้าเ้าเลยได้บาทเนีเ่ยก่อนห น, นา้านี้ลงพอกระเบาคู่มือคู่มือเกือบคู่มือแต่บาทนี่กรถินถอดแล้วลงพอก็เศ้าเา้าเลยบาทเนี่การมันกนระส่างเจดีแล้วลงพอแหงเศร้าเบาอีกบาทเบาเบาอีกบาทเลคือก็คื อ, ค อ, ค อ, คอการที่เจดีของคุณแม่ชื่อแก้วกับลุงปูหลานพวกข้าวตังอย่างเดี ย, ย, ยวซอยส่างเจดีคุณแม่เนอะซอยส่างเจดีย์ลงตาลงปูหลานะเนอะเนี่ยลงพอจีบาเบาเดือลูกหลาน่ยพราะมันแล้วเลยได้ ขณะพทันแล้วในลงตากะิเบายังให้ฟังอยู่เลยๆอ่างเทตอ่างผลให้ฟังนะเมื่อในวันที่11อวันพุทธที่11อตุลาคมพุทธศักราช2560เสียงรู้สึกจะกล้องไปนะงานกระถินของพวกเราก็รู้สึกว่าขยับเข้ามาเรื่อยๆ วันนี้เป็นป็นที่สิบอวันที่ส5บห้าก็ใช่ ล, ละก็ดังขอให้พวกเราทุกท่านนะในช่วงนี้ก็ถึงจะไม่มีเวลาภาวนาหรือว่า ม, มีมีเวลาปฏิบัติก็ให้เร่งจุดนี้ก่อนมันต้องมีจุดนะถ้าหากว่าเราผ่านวันที่สิบห้าไปแล้วนะเราจะเบิกถอยหลังก็ได้ มันอยู่กับเราทั้งหมดแต่อย่างอื่นเรายังเบิกถอยหลังได้ไม่ได้นอนเรายังนอนนอนเบิกถอยหลังได้นะการทำความภาคเปลี่ยน้าเป็นผู้ฉลาดนะก็จะต้องเป็นก็จะต้องเบิกถอยหลังได้เ ว, นว้นเสียแต่โง่แคอย่างเดียวผ่านไปก็ผ่านไปก็ยิ่งขี้เกียจนอนไปเรื่อยๆในเมื่อที่มันมี ภาระทุร ะ, ะเมื่อเราใช้ยางจะติ๊กไม่ใช่จะยืดอยู่เลยเวลาจะใช้งานเราจึงยืดออกอทำงานอะไรในเมื่อจบจุดในการทำแล้วจุดเก็บเอาไวนะ้นี้ก็เหมือนกันนั่นะพวกเรารู้จักการยืดหยุน่นถ้าหากว่าพวกเรารู้จักบริหารจัดการในการยืดหยุน่นเราอยู่นสถานที่ใดดีทั้งนั้นแหละ ทาไม่รู้จักการยืดหนุ่นโจโลโจโลอยู่เลยอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะโจโลพวกเขารู้จักไหมโจโลเหมือนคือศพเป็ดหลวงตาววานจะ ง, งอยปากแล้วปากเป็ดมันโจโลนี่นี่แหละที่หลวงพ่อได้ยิน เมื่อไม่นานมานได้พระก็ได้บอกว่าผมไม่มีเวลานมาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อไม่มีเวลาหลวงพ่อได้ยินได้ยินแล้วก็เออหลวงพ่อก็เลยเอาม า, าดูด่าว่าเ ก, ก่ า, าแต่พระท่านก็บอกว่าจเจ้าออกไม่ลงพ่อเออยาออกเลยหลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคนดีนะแต่ไม่ต้องบวงชื่อไม่ต้องระบุชื่อ แต่หลวงพ่อไ ม, ไม่ได้บอกไม่ได้ด่าคนดีนะด่ากิเลสถ้าองค์ใดก็ตามถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นด่าทั้งหมดดุทั้งหมดว่าเก่าทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าอมันมาหาเวลาให้ตนเองไม่ได้ทําไม่วัดของหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อสร้างวัดมานไม่ใช่บอก หลวงพ่อเสกคาถาเป่าพูด ฟ, ฟาดขึ้นหมากำพงกำแพงถนนหนทางสาหลงสาลาดกุฏิที่พักพาอาศัยหลวงพ่อสมัยนะั้นอายุเพียง30กว่าปีแบกหม้มขนหินปูนทรายช่วยสร้างวัดดูแลถ้ามันหนักเราก็ลงไปช่วยแต่พอมาพระถึงยุคนสมัยนี้พระใหม่ผู้ได้รับการศึกษา ขี้แอมากเลยพอมาถึงบอกว่าไม่มีเวลาภาวนามีแต่รู้สึกว่าการงานพเพราะเดือนหนึ่งก็จะมีหรือว่าสองเดือนจะมีการ เ, เข้ามาให้เข้ามาเวนน้าร้อนเจ็ดวันแ ต, ต่ตัวเองก็มาฉันทุกวันอีกต่างหากหลวงพ่อได้ยินหลวงพอ่อพระยุคสมัยนี้รู้สึกว่าขี้แอมากไม่สู้งาน ขนาดมาซุบมือเปิดไม่มีงานอะไรเลยแต่ขนาดนีจยว่างงานหนักหลวงพ่อแลยโอ้โหถ้าเป็นลักษณะนี้หลวงพ่อจะไล่มันพระทั้งวัดหนีทั้งหมดอีกต่างหากเนี่ยที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อจะอยู่องเดียววะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะทำไมพระจึงไม่สู้งานอะไรไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทำทุกปี่ทุกวันเมื่ อ, อไหร่ เราอยู่บ้านตาดหลวงพ่ออยู่บ้านตานะได้เวลาป๊บบ่ายสาโมงพร้อมกันลงปัดกวาดตั้งแต่หลวงตาพอหลวงตาสมัยนั้นพระคนยังไม่มากที่หลวงพ่ออยู่กับท่านนะหลวงตาองค์หนึ่งละ่ะถ้าพวกเราคงจะได้ยินว่าหลวงตาลงปัดกวาดก่อนอท่านลืมดูนาเลกานะอพอเสร็จแล้วท่านก็นลงปัดปัดเอ้าทําไมพระยังไม่ปัดกวาดวะ ออพอไปเห็นเนนเอาทำเนนมันยังไงมันกัดปัดกวาดได้ยังไงเนนหลวดน่ะจะหลวอัอท่านยังเห็นพวกเราที่ฟังเทศหลายๆกันจะได้ยินมันทำไมไม่ลงปัดกวาดมันได้เวลาแล้เนี่ยแต่หลวดก็บอกว่าเนนหมดมันยังไม่ได้เวลาครับเพิ่งบ่ายสองท่านเองครับเออเราเป็นบ้าแล้ววะท่านก็โยนไม้กวาดเก็บไม้กวาด อันนี้ท่านก็ยอมรับท่านนี่แหละพอใบาสามลงท่านก็ลงปัดกวาดเพราะว่าสัตตม์มาสัทธาญาติโยมมามากท่านก็ดูต้อนรับขับสู้กับสัทธายาติโยมแต่พระที่ลงรอง ล, อ ง, ลองไปหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีแต่หลวงปู่ลีไม่ได้มาอยู่ประจํำนะหลวงปู่บุญเมือนงะสมัยหลวงพ่ออยู่ต่อหลวงปู่ลีเนะี่ยเข้าๆออกๆออนะท่านปัญญาพระฝรัง่งท่านเชอร์รี่นะ พระฝรัง่งพอพระไทยลงไปหมกปัฏวดพร้อมกันทั้งหมดพอปฏวาดเสร็จแล้วหนะลวงพ่อก็ลงไปประจําสูบน้ําเพราะสมัยก่อนมันมีเครื่องโยกน้ําำมันไม่ใช่เครื่องสูบด้วยไฟฟ้านะ่ยโยกน้ำเนหะมือนกับเขาชกมวยลักษณะนั้นโนะยกโยกโยกโ ย, ยกนะ้นําก็ขึ้นมาก็ใส่ในปิป๊บแล้วก็ปล่อยออกไป วันละประมาณสี่ห้าเที่ยวพระ20่องค์เที่ยวเที่ยวสุดท้าย เ, ยเราก็ไปกดติหลวงตาตัวตีหลวงตามันอย่างน้อยต้อง3ามองนะพะวันเรายกปิบขึ้นไปสององ์ะต้องยกขึ้นไปสองกันยกช่วยกันแต่องค์อยู่ข้างบนองค์เดียวขึ้นไปเทใส่น้ำห้องน้ำหลวงตาแต่กพระฝรั่ง หลวงปูบ่บนมีหลวงปู่หลีขึ้นไปถูศาลาพระฝรั่งขึ้นไปถูศาลาไปทำความสะอาดไปปัดกวาดเช็ดถูศาลาเตรียมวันพรุ่งนี้เพราะพระภูเท่าต้องนักทำหน้าที่หนึ่งแต่พระนุ่มพร้อมการลงไปทำความสะอาดไอต้ตรงไปโยกนะ้ำส่งตามกุฏิต่างๆห้องน้ำต่างๆที่ล้างบาทพร้อมเพียงสัตว์สามัคคีกัน จากนั้นก็เลือกลากันต่างกอง ก, ก็ต่างสงน้ำกันเนี่อาบเพราะนั่นคือสงน้ำตื้งต่างตืงต่างเสร็จแล้วหลวงตากนันเดิน ต, ต่อยต้อยออกมาดูตรวจตัวตราดูพระพระจะไปหยึกยึกจากอยากไม่ได้รีบเร่งพอเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างกับกุฏิของใครของเราอันนี้คือชีวิตประจําวันของสมัยเมื่อหลวงพ่ออยู่วัดป่าบ้านตาดพระประมาณยี่สิบเหมืนยี่สิยี่เอ็ด องนะแต่พระผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นลงไปดูดูแลแต่หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดหลวงปู่ฟั่นทีไหนหลวงพ่อมาปีกมาหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดหลวงปู่ปฟัน่นมาหลวงปู่ท่านกัอนเนี่ยจัตไทยาจอมกว่ามีพ<ม>อปัดกวาดโอ้โหกว้างมากพอมันท่านไม่ได้ทําเหมือนบ้านตาปดปาดปัดกวาดนี่เตลิดเปิดเปิเปงทั้งวัดแป็น เตียนโล่งทั้งหมดเลยพ่อปัดกวาดแต่ละครั้งโอ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็มาตักน้ำเนี่ยเราก็เนี่ยเราเคยศึกษากับหลวงปู่หล่างานส่วนรวมเนี่ยเราต้องเราจะไม่ให้หนักเราจะไม่กินแรงใคร เ, เราเข้าไปกับปัดประโยกน้ํ้ำสูบน้ำตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ส่งตามห้องน้ำเพราะไม่มีระบบน้ำไง เออขึ้นมาก็ส่งตามรถแล้วก็ส่งไปที่ล้างบาทที่สําคัญก็คือที่ล้างบาทรก็ห้องน้ําแล้วก็ที่น้นําล้างเท้าที่ศาลาสนะามจุดเนี่ยเป็นจุดใหญ่จากนั้นก็ตามกุฏิอันนั้นก็เล็กน้อยนะแต่ทั้งยังไงก็เถอะถ้าว่ามีพระทํางานสอสามองค์นี่หนักเราพูดอย่างนั้นหนักเพราะไม่มีใครไ ม, ไม่มีรับผิดไม่มีรับผิดชอบเราเห็นแล้วโอ้ ไม่ไหวถ้าเราขืนอยู่ที่นี่เราเป็นอย่างนี้พระรู้สึกว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมัครีในการทำกิจวัตรแต่พอเรามาเห็นวัดหลวงตาเออเนี่ยมีความพร้อมเพียงสมัคีผู้ใหญ่ทำหน้าที่อันหนึ่งผู้น้อยทำหน้าที่อันหนึ่งต่างคนต่างมีหน้าที่ของใครของเราเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเห็นเห็นกิจวัตรของวัดหลวงตาแล้วหลวงพ่ออื้อ เออเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ที่นี้มาวัดของหลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อกับพายามพยายามแนะนำบอกกล่าวแต่หลวงพ่อเนี่ยยังเออแต่ก่อนสมัยเป็นพระนมกว่านี้นะหลวงพ่อก็ลงมาดูแต่บัดนี้หลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อก็เออเอาให้พวกพวกช่วยๆกันเนอะให้มองกันนะอย่าให้มันหนักจุดใดจุดหนึ่งเนอะแต่เมื่อวานวันก่อน ได้ยินว่าพระบอกว่าไม่มีเวลาหลวงพ่อได้ยินโอ้ใจมันหล่นตบไปสลดหดหูเออต่ อ, ตอ น, นี้ไป เ, เราบอกว่าถ้าหาว่าไม่มีใครมานะให้ไปทำไม้กวาดไม้กวาดของเราเอาไว้ที่ใต้ถุนโรงน้ำร้อนเนี่ยนะสักสองสามคันถ้าไม่มีใครมาบ่ายสามเราจะลงปัดกวาด เ, เราจะ นําจะจะดูดูพระของเราตอนเช้าก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลงมาดูอีกเป็นยังไงถ้าหากว่า ม, มีไม่มีศักยภาพหลวงพ่อจะไล่พระหนีนะปีนี้นะลูกหลานนะกนัชธาญาติโยมนะถ้าคอยดูนะถ้าว่าพระในวัดไม่มีศักยภาพเต้นเด่นด้านๆผู้ใหญ่ก็ไม่ยุ่ไม่มีกฎเกณฑ์ผู้น้อยก็ไม่มีกฎเกณฑ์ ต่างว่าคนก็ต่างไม่มีเวลาภาวนาทั้งที่มีเวลาต่างเยอะแยะไปแต่ทำไมไม่มีกิจวัตรครอบวัดก็ไม่มีเอาต่อนนี้ไปให้นะให้ท่านเสียงทำป้ายนะตั้งแต่องค์ต่อรองต่อไปนีนะไม่ต้องทำป้ายแต่กุฏิของหลวงพ่อนะให้ทํากุฏิชื่อแต่ละองค์ละองค์แล้วไปแขวนไว้ที่กุฏิของตนเองหลวงพ่อจะไปตรวจตราดูเทนี้ บางทีหลวงพ่ออาจจะนั่งรถตอนเย็นอาจจะนั่งรถไปอาจจ ะ, ะแวะแวบดูกุฏิหลังนั้นหลังนี้บ้างแต่หลวงพ่อยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าไม่รู้ว่ากุฏิหลังไหนไม่รู้ใครหลวงพ่อก็ไม่รู้เพราะนั้นให้ติดป้ายไว้ในกุฏิของตนเองครูบาอะไรนามชายาอะไรเผื่อบอกพรรษาด้วยก็ได้นะห้อยไว้ในข้างกุฏิเผื่อหลวงพ่อจะได้ไปดู ไปตรวจตราดูว่าความพร้อมหรือความเรียบร้อยเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อก็เดินมีแต่ไปดูเฉยๆบางทีก็เห็นมองเข้าไปก็เห็นกุฏิไม่ปัดไม่กวาดเลยลกหลงหลั ง, ลงไปหมดหลวงพ่อไม่เคยทําอย่างนั้นมาก่อ น, นกุฏิของหลวงพ่อเนี่ยฉันยังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อไปปัดกวาดทกุฏิของตัวเองพอถึงตอนบ่ายก็ปัดกวาดอีกรอบหนึ่งในบริเวณของตนเองอยู่นะถ้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเ อ, เอาเอาชาวบ้านมาถมเอาตินมากลบ ให้มันสูงขึ้นเมื่อให้น้ําขังหลวงพ่อจะปรับปรุงกุติของตนเองนะดูแลกุติของตนเองจะให้ใครมาดูกุติของตนเองนะให้ทำนะให้ทาป้ายนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวาแล้วก็เนี่ยพระทุกองค์ต้องทำหน้าที่เพื่อให้มีเวลาถ้าทำอย่างนี้ไม่มีเวลานะาในเมื่อไม่มีเวลาแล้วมันมีเรื่องซะก่อน หลวงพ่อจะลงไปดูเหมือนกับพระพุทธเจ้านะ่แต่เราเองก็ไม่ได้บันไม่ได้ทาตนเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าใช้เยี่ยงอย่างของพระองค์ท่านในเมื่อมีเรื่องอราอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็บัญญัติวิไนตรวจตราดูว่ามันขาดตกปกพ่องทำไม่เพราะอะไรนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าในวัดของเราจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนจุดที่มันทำให้ ล่าช้าทำให้ไม่มีกฎระเบียบต้องบัญญัติจุดนั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ทาป้ายนะให้ลงปัดกวาดพร้อมกันนะให้มาดูสลาพร้อมกันนะให้เลิกพร้อกันนะถ้ากลางคืนก็เหมือนกันตอนเย็นจ ะ, จะให้เด้นเดนด้านอยู่บริเวณศาลาถ้าหลวงพ่อเห็นองค์ไหนอยู่บริเวณศาลาหลวงพ่อถามมาทำไมมาอยู่แถวนี้ทำไมมีกิจทุระอะไร ถ้าถามไม่มีเหตุมีผมหลวงพ่อจะไล่หนีจากวัดนะเพราะอะไรเพราะจะบอกว่าไม่มีเวลาได้ยังไงเพราะตัวเองไม่ทําเวลาเพราะนั่นขอให้บอกให้บวกพวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะอันนี้คือเตือนเตือนทั้งจัตไทายาญาติโยมด้วยเตือนทั้งพวกพระด้วยเพราะพวกเราพุทธบริษัทสี่ควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันไม่ใช่ว่าจะพูดแต่พระ แต่ศรัทธาญาติโยมมาลุ่มล่ามวุ่นวายนั่นแหละแต่เป็นใครก็ตามถ้าลุ่มล่ามวุ่นวายมายุ่งเยิงกับพระเนี่ยหลวงพ่อจะไล่ไม่ให้เข้ามาวัดอีกขีดเส้นเหมือนกับช็อกขีดกันมดอย่างนั้นอะระวังให้ดีกันแล้วการใครนะพอพุทธศาสนาเนี่ยกฎระเบียบเป็นของไครอย่างเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงตาพูดนะ ใครอยู่ปกติแล้วนั้นสามสี่คนนะ่ะเราอนุญาตให้อยู่เพียงชั่วคราวนะมันทําไมไมาอยู่นั่นหนีนะออกไปก่อนนะเราไม่รับนะเอทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายยัดธนานอยู่นั่นน่ะหลวงตาพูดนะเมื่อเช้าได้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังพูดกับพ่อน้อยเห็นไหมหลวงตาเด็ดไหมหลวงตาเด็ดไหมหลวงตาฟังหลวงตาดีเนี่ยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ที่มาอยู่ด้วยกันอยู่เด่นด้า น, านเลอะเทอะเงอะงะไม่มีกฎไม่มีระเบียบพระก็อยู่แบบแบบหนึ่งคราวารว่าญาติโยมก็อยู่อีกแบบหนึ่งไม่ได้นะหลวงพ่อดูไม่ได้นะหลวงพ่อที่ฝึกมาน่ยฝึกมาอย่างไรอย่างน้อยก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนก็อย่างนึงจะเกินห้าสอร์ซตก็ยังดีแต่ถ้าห่า ว, ว่า20เนต์ชักจะน้อยไปเสแล้วอทุกวันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นน ะ, ะพวกพระเก่าทั้งหลายนะดูนะ ถ้าว่าผูดด้ใดอยู่ยังไงต้องดูตัวเองนะถ้าประปงแก้ไขไม่ได้มองตนเองนะอย่าให้ได้ไล่พูดง่ายๆรับพระทีนี้นะ